ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณยุฟังคะตอนรับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไม้ค่ะกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะเยี่ยมเยียนจิตตานาครกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญา น, นาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะ ดิฉันประสิมีมณีนินวันนี้กลับมาทําหน้าที่เช่นเคยนะคะวันนี้เป็นตอนที่8ดของจิตตะนครสําหรับในวันนี้จะเป็นเรื่องของจิตตะภาวนาเรื่องของอูดผู้ก้าวหน้าและปัญหาสี่ข้อค่ะเรื่องราวก็กําลังเข้มข้นและก็น่าติดตามนะคะทั้งทางฝ่ายของสมุทไทยแล้วก็ทางฝ่ายของคู่บารมี ก็กำลังต่อสู้แล้วก็คัดงานกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะฝ่ายคู่บารมีของนครสามีก็ม่ใช่ว่าจะเฉยเมยทอดทุระปล่อยให้สมุทัยทำเอาข้างเดียวนะคะได้มีการพิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไรดีแม้จะมีพักพวกฝ่ายบารมีคือศีลฮิริโอตปะปากเข้ามาช่วยบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจะวางใจได้เพราะว่านครสามีก็ยังรับเอาไว้ใช้ทั้งสองฝ่ายบางที ก็มีการแบ่งเขตกันในระหว่างหัวโจกสำคัญของสมุททยคือโลโพโทโซโมโหกับศีลฮิริโอตปะเป็นต้นค่ะก็คล้ายๆกับบ้านเมืองทัท่วๆไปซึ่งวัดวาอารามก็สร้างกันโรงฆ่าสัตว์โรงสุราโรงหนังโรงละครสถานอบัยามุกต่างๆก็สร้างกันเหมือนกันนะคะคือมีทั้งที่ดีแล้วก็มีทั้งที่ไม่ดีศีลก็อยู่แต่ในวัดออกนอกวัดก็กลายเป็นถิ่นที่อยู่ในการควบคุมของโลโพโทโซโมโหเหมือนกับ แบ่งเขตการปกครองเพราะฉะนั้นถ้าไม่รีบปราบปรามสมุนสำคัญของสมุททยที่เข้าไปแต่งอารมณ์ในจิตตะนาคอนก็น่ากลัวว่าจะเป็นอันต ร, รายต่อความปลอดภัยของจิตตะนาคอนนะคะน่ากลัวว่าแม้แต่วังเองก็จะถูกพังทลายหรือว่าถูกนักเลงหัวไม้เข้ายึดครองโดยขับไล่ศีลให้ออกไปและถ้าถึงขั้นนั้นศีลรวมไปถึงฮิริโอตปะก็คงจะต้องหนีออกไป จากจิตตะนะคอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยกับตอนที่8จิตตะนะคอคร่ะด้วยเหตุดังนั้นคู่บารมีจึงเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสแนะนำวิธีแก้ไขด้วยวิธีที่เรียกว่าจิตตภาวนาโดยใช้นิมิตเครื่องกาหนดหลายอย่างกับโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นคู่ปรับของอโยนิโสมนสิกาน คู่บารมีได้ฟังพระบรมพุทธโทวาดก็เกิดความแช่มชื่นมองเห็นทางชนะรีบปฏิบัติตามพระโอวาสแห่งพระบรมครูเจ้าทันทีการทำจิตตะภาวนาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าการทำกรรมฐานนั้นเป็นทางแก้ไขความวุ่นวายในใจอย่างได้ผลควรแก่การปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทาระดับไหนย่อมจะได้รับผลเป็นความสงบสุขของจิตใจ ในระดับนั้นผู้ปรารถนาความสงบสุขในจิตใจจึงควรได้รู้จักการทำจิตตะภาวนาหรือการทำกรรมฐานโดยทั่วกันเพราะนี่เป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสุขได้จริงหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะนำให้ใช้วิธีจิตตะภาวนาที่แปลว่าวิธีอบรมจิตแล้วก็ได้มีการ ทำจิตตะภาวนาอันหมายถึงการชำระฟอกล้างฝึกข่มรักษาคุ้มครองป้องกันอย่างเต็มที่จะทํากันอย่างเล่นๆไม่ได้ทางฝ่ายของสมุทไทยก็มีการประดมกําลังอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเห็นว่าฝ่ายคู่บารมีจะช่วงชิงอำนาจไปจากตนถ้ายัางไม่มีค่าศึกยกเข้ามาจากภายนอก หรือเกิดขึ้นภายในเพื่อที่จะยึดอํานาจสมุทัยก็คงปล่อยเอาไว้อย่างหย่อนหย่อนหรือดังที่เรียกกันว่าผูกไว้อย่างหย่อนหย่อนคล้ายกับผูกสัตว์เลี้ยงไว้แต่โรยเชือกให้เดินออกไปหยิดกินหญ้าดได้ไกลๆจนบางทีสัตว์เลี้ยงนั้นนึกว่ามิได้ถูกผูกจะเดินให้ไกลออกไปอีกแต่สุดเชือกที่โรยเอาไว้เสียแล้วเชือกก็จะกระตุกไว้มิให้ไปถึงตอนนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้ จึงจะรู้สึกว่าตนถูกผูกไว้หาได้เป็นอิสระไม่ถ้าถอยกลับมาเดินไปมาอยู่ในระยะที่เชือกหย่อนหย่อน mm hmm. ก็จะรู้สึกคล้ายกับว่าเป็นอิสระไม่ถูกผูก mm hmm. ในเวลาสถานการณ์ปกติสมูทัยก็ผูกเอาไว้เช่นนี้ปล่อยให้ไปมาได้จนคล้ายกับเป็นอิสระเสรีไม่คิดที่จะสลัดเชือกออกสมูทายนั้นมีวิธีการมาก ใช้เล่เหลี่ยมต่างๆอย่างที่คนทั่วไปตามไม่ทันคล้ายๆกับที่มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ฉลาดในโลกใช้เล่หลอกสัตว์เลี้ยงเช่นยาสําหรับเลี้ยงม้าเป็นหญ้าแห้งม้าไม่ยอมกินคนก็หาแว่นตาสีเขียวสวมให้มา้าม้ามองเห็นหญ้าเป็นสีเขียวคิดว่าเป็นหญ้าสดก็กินหญ้าแห้งนั้นคนเลี้ยงม้าก็สบายไม่ต้องหาหญ้าสดให้ม้ากิน ชาวนานในประเทศที่ใช้อูดชักน้ำจากบ่อน้ำให้ลงลำรางไปสู่นาเขาผูกอูดเข้ากับหลักที่ปักเอาไว้ตรงบ่อแล้วผูกอูดกับหลักนั้นให้มีระยะห่างจากบ่อตามสมควรแล้วให้อูดเดินบนบ่อชักน้ำขึ้นมาแต่อูดจะไม่ยอมเดินบนคนจึงใช้ผ้าผูกตาอูดเสียแล้วให้อูดเดินอูดจึงยอมเดินเพราะเข้าใจว่าเดินไปข้างหน้าเรื่อย หาได้เดินวนไม่แต่ที่แท้ก็เดินบนรับใช้ชักน้ำให้ชาวนาอยู่นั่นเองไม่ต่างอะไรกับการที่ม้าสวมแว่นก็สามารถที่จะกินหญ้าแห้งโดยคิดว่าเป็นหญ้าสดอยู่นั่นอูดก็เป็นสุขในการเดินวนเพราะคิดว่าเดินไปข้างหน้าอยู่เรื่อยม้าก็เป็นสุขในการกินหญ้าแห้งเพราะคิดว่าเป็นหญ้าสดอยู่นั่นเองอันที่จริงอูดนับว่าเป็นสัตว์ที่มีความคิดที่เรียกว่าก้าวหน้าเพราะไม่ยอมเดินวน ชอบเดินไปข้างหน้าเรื่อยแต่ก็มาเสียทีมนุษย์คนทั้งปวงของจิตตะนาครก็เป็นสุขอยู่กับการถูกผูกยอนอยนตอันที่จริงก็ต้องเดินอยู่ไปมาภายในระยะของเครื่องผูกต้องบริโภคต้องใช้สิ่งที่ไม่ต่างจากหญ้าแห้งจึงมีสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันมากนะักและสมุทัยจะไม่ว่าอะไรถ้าไม่คิดไม่ทำการสลัดออกไปจากอานาจคือถ้าไม่ก่อการล้มล้างอานาจของสมุทยัย ฝ่ายสุู่ไทยก็จะปล่อยเอาไว้หย่อนหย่อนคล้ายกับเป็นอิสระเสรีแล้วแต่อย่าว่าแต่อูดเลยแม้ชาวจิตตะนครเองซึ่งล้วนเป็นนักก้าวหน้าอันที่จริงก็ก้าวหน้าไปตามความอยากคืออยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะให้สิ่งที่ไม่ชอบหรือภาวะที่ไม่ชอบสิ้นไปหมดไปสิ่งที่อยากต่างๆจึงเป็นจุดหมายสาหรับดาเนินไปหา การก้าวหน้าก็คือการตั้งหน้าก้าวไปสู่สิ่งที่อยากนั้นนอกจากนี้ยังน่าจะเรียกได้อีกว่าเป็นนักริเริ่มคือริเริ่มความอยากหรือสิ่งที่อยากขึ้นใหม่อีกถ้าจะถามว่าก้าวหน้าไปข้างไหนก็คงจะตอบว่าไปสู่จุดหมายที่อยากนั่นแหละถ้าไปถึงจุดหมายที่หวังไว้สูงเร็วก็ชมกันว่าก้าวหน้าเร็วถ้าห้ามไม่ให้ตอบตามความอยากก็น่าจะพากันตอบได้ว่า ยากจะไปข้างไหนนอกจากจะตอบว่าก้าวหน้าไปสู่ที่สุดแห่งชีวิตต่อจากนั้นก็ไม่รู้ว่าก้าวหน้าไปข้างไหนแม้แต่ก่อนชีวิตนี้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่ามาจากไหนรู้แต่ว่าจะต้องพบการจบชีวิตเป็นแน่แท้ส่วนจะจบเมื่อไหร่ก็หารู้ไม่ครูบารมีเคยได้ฟังพระอาจารย์สิทธิ์ของอมภพรมครูแสดงเรื่องบุตรตรีของนายช่างทอหูคนหนึ่ง ในครั้งที่องค์พระบรมครูยังไม่เสด็จสู่มหาปรินิพานธาตุว่าองค์พระบรมครูได้ตรัสถามปัญหาสีข้อแก่บุตรีสาวกของช่างทอหูเธอได้ตอบทั้งสีข้อคำถามและคำตอบมีดังนี้ 1. ถามว่าเจ้ามาจากไหนคำตอบคือไม่ทราบพระเจ้าค่า 2. ถามว่าเจ้าจักไปในที่ไหนตอบว่า ไม่ทราบพระเจ้าค่ะ 3. ถามว่าเจ้าไม่ทราบหรือตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะ 4. ถามว่าเจ้าทราบหรือตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะฟู้งชนที่เฝ้าอยู่ก็พากันยกโทษเด็กหญิงผู้นั้นว่ากราบทูลเหลาะและเล้วไหลกับพระพุทธเจ้าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเมื่อตรัสถามว่ามาจากไหนก็ควรจะกราบทูลว่า มาจากบ้านของตนเมื่อตรัสถามว่าจะไปไหนก็ควรจะกราบทูลว่าจะไปโรงทอผูกพระพุทธองค์ทรงสับเสียงอื้ออึงของมหาชนจึงตรัสขอให้สงบเสียงแล้วตรัสถามให้เด็กหญิงผู้นั้นอธิบายคำตอบเด็กหญิงผู้นั้นกราบทูลอธิบายว่าคำตอบที่หนึ่งหมายความว่าไม่ทราบว่ามาเกิดในชาตินี้จากที่ไหนคาตอบที่สอง ไม่ทราบว่าจุติคือเครื่อนชาตินี้แล้วจักไปเกิดในที่ไหนคำตอบที่สามคือทราบว่าความตายจะมีแน่คำตอบที่สี่คือไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าประธานสาธุกการทรงรับรองว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วแล้วตรัสพระธรรมบทสั้นๆว่าโลกนี้มืดมีน้อยคนในโลกนี้จะมีปัญญาเห็นแจ้ง น้อยคนจะไปสวรรค์นิพพานเหมือนนกที่ติดตาข่ายน้อยตัวนักที่จะหลุดไปได้เด็กหญิงผู้นั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมออกจากที่เฝ้าถือกระเช้าได้ไปให้บิดาที่โรงทอหูบิดากาลังนั่งหลับอยู่ที่เครื่องทอหูผลักปลายกระสวยไปในความฝันพอดีไปกระทบกับอกของบุตรีเข้าโดยแรงเธอสิ้นชีวิตไปในขณะนั้น แต่เป็นผู้ที่พ่อปรมาครูได้ปโปรดแล้วจึงมีคติดีเป็นที่แน่นอนพระปรมาครูทรงมุ่งเสด็จไ ป, ปโปรดเธอเพราะเธอได้เจริญมรณานุสติมาถึงสปีแล้วทรงทราบว่าเธอจะต้องตายในวันนั้นแน่จึงเสด็จไ ป, ปโปรดเธอตรงที่เธอจะเดินผ่านไปและตรัสถามปัญหาในแนวปฏิบัติอยู่ของเธอซึ่งเธอก็ตอบได้ถูกต้องในขณะที่ผู้อื่นซึ่งมีได้ปฏิบัติก็ไม่รู้เรื่องอยู่นั่นเอง นี่คือเรื่องของปัญหาสี่ข้อซึ่งทำให้ผู้คนพากันงงงันมาจากไหนจะไปในที่ไหนทราบหรือไม่ทราบหรือกลับมาที่เรื่องของจิตตะภาวนาที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะนำให้คู่บารมีนำมาใช้แก้สถานการณ์ในจิตตะนครคู่บารมีจดจำได้ขึ้นใจในพระพุทธพจน์ ประกอบด้วยอุปมามีใจความว่ามีนครชายแดนของพระราชามีกำแพงและเสาระเนียรอันมั่นคงมีหกประตูนายประตูของพระราชานั้นเป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดห้ามคนที่ไม่รู้จักไม่ให้เขา้าอนุญาตให้แต่คนที่รู้จักเข้าไปในเมืองนั้นได้มีทูดด่วนคู่หนึ่งมาจากทิศตะวันออกคู่หนึ่งมาจากทิศตะวันตกคู่หนึ่งมาจากทิศเหนืาานอ คู่หนึ่งมาจากทิใต้ถามนายประตูนั้นว่าเจ้าแห่งเมืองนี้อยู่ที่ไหนนายประตูก็ตอบว่านครสามีคือเจ้าเมืองนั่งอยู่ที่ทางสีแพร่งตรงกลางเมืองทูตคู่นั้ น, น, นจึงมอบเยถาพูตรพ์คำตามที่เป็นจริงแก่นครสามีปฏิบัติตามมักหรือทางที่มาแล้วอุปมานี้หรือการเปรียบเทียบนี้ ผูกขึ้นเพื่อให้รู้ความว่านคอหรือคำว่านคอนนี้เป็นชื่อของกายอันประกอบไปด้วยมหาภูตะก็คือธาตุดินน้ำไฟลมทั้งหทั้งสี่ที่มีบารดาบิดาเป็นแดนเกิดเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมมีอันต้องอบนวดต้องแตกทําลายเป็นธรรมดาคำว่ามีหกประตูเป็นชื่อของอายตนะภายในทั้ง6 คำว่านายประตูเป็นชื่อของสติคำว่าทูต ด, ดวนคู่หนึ่งเป็นชื่อแห่งสมถะและวิปัสสนาคำว่านครสามีเป็นชื่อแห่งวิญญาณคือจิตคำว่าทางสี่แพร่งตรงกลางเมืองเป็นชื่อแห่งมหาภูตะรูปทั้งสี่คือธาตุดินน้ำไฟลมคำว่าคำตามที่เป็นจริงเป็นชื่อแห่งนิพพานคำว่าทางตามที่มาแล้วเป็นชื่อมารคมีองแป คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบ คู่บารมีมีความรู้ในพระพุทธคุณทราบซึ้งว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้จิตตนครโดยประจักษ์แจ้งและได้ตระหนักแน่ว่าการที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายในจิตตะนครให้ได้ผลดีที่แน่นอนนั้นมีอยู่วิธีเดียวก็คือตั้งสมถะและวิปัสสนาทั้งคู่นี้เป็นทูตเข้าไปแจ้งถ้อยคำตามที่เป็นจริงแก่นครสามี และการที่ทูตทั้งคู่นี้จะเข้าเมืองได้ก็จำต้องมีสติเป็นนายประตูเมืองถ้ามีผู้อื่นที่เป็นพักพวกของสมุทัยหรืออาสวะเป็นนายประตูก็จะไม่ยอมให้ทูตทั้งคู่นี้เข้าไปได้อย่างแน่นอนฉะนั้นจึงต้องหาทางให้สติได้มีหน้าที่เป็นนายประตูให้จงได้เสียก่อนวิธีดังนี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าจิตตภาวนา และส่งแนะให้ใช้นิมิตเครื่องกําหนดหลายอย่างกับโยนิโมสมะนะศีการจะใช้กับใครใช้กับนครสามีนั่นเองพระพุทธองค์ต้องได้ตรัสรู้แล้วว่าใช้ได้ผลแน่ไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่ตรัสสอนให้ใช้คูบารมีจึงมีความเชื่อตั้งมั่นในพระพุทธองค์รีบชักชวนโยนิโมสมะนะศีการกับบรรดานิมิตที่ทรงแนะนํา ไปหานครสามีทันทีช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะว่าเมื่อคู่บารมีนำโยนิโสมนัสิการกับนิมิตต่างๆเข้าเฝ้าจะสามารถผ่านประตูเมืองเข้าไปได้หรือไม่ห้องสมุดหลังไมโดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง เาสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะกับจิตตะนครตอนนี้คู่บารมีได้นำจิตตะภาวนาซึ่งเป็นกระบวนการชำระฟอกล้างจิตเข้ามาใช้ในจิตตะนครโดยกะว่าจะนามาใช้กับนครสามีนะคะจากคำแนะนำที่ไปขอมาจากพระพุทธองค์ซึ่งก็ประทานให้มีการใช้จิตตะภาวนาทีนี้ในการที่จะใช้จิตตภาวนานั้น จะต้องมีสติเป็นตัวช่วยสำคัญและเมื่อคู่บา ร, รมีนำโยนิโสมานาิการกับนิมิตต่างๆเข้าเฝ้าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถผ่านประตูเมืองเข้าไปได้หรือไม่แต่ก็นึกมั่นใจว่าฝ่ายของตนดำรงตำแหน่งนายประตูคือสติและก็ได้พบสติเป็นนายประตูจริงๆคือสตินี่เป็นพวกของคู่บา ร, รมี สติเปิดประตูเมืองรับค่ะและหลังจากนั้นคู่บา ร, รมีก็นำโยนิโสมนัสิการและนิมิตต่างๆเข้าพบนครสามีทันทีก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสมเรึ่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะจิตตะภาวนาจะใช้ได้ผลหรือไม่ติดตามต่อได้เลยกับตอนที่8ช่วงที่2จิตตะนครค่ะณเวลานั้นเป็นเวลาปลอด ที่คู่อาสวะพระออกไปจากนครสามีนครสามีจึงต้อนรับคู่บา ร, รมีพร้อมกับคณะด้วยดีคู่บา ร, รมีได้แจ้งความจำลองขอแสดงนิมิตต่างๆให้ดูและให้โยนิโสมนัสิการเป็นผู้บรรยายซึ่งก็น่าจะคล้ายกับการขอฉายภาพยนตร์ให้ดูโดยให้โยนิโสมนัสิการเป็นผู้แสดงภาคนครสามีก็ตกลงคู่บา ร, รมี ก็แสดงนิมิตต่างๆดังนี้อะสุภาณิมิตหมายถึงนิมิตที่ไม่งามเช่นผมขนเล็บฟันหนังของคนเป็นที่สกปรกแสดงให้เห็นเหมือนอย่างที่เห็นในภาพยนตร์ให้เห็นถึงสิ่งที่หมองคล้ำสรวดทรงที่น่าเกลียดกลิ่นที่เหลือทนแล้วแสดงของคนตายพร้อมทั้งร่างกายที่เป็นศพทั้งหมดเป็นต้น คือแสดงอะไรแต่ที่มันน่าเกลียดน่ากลัวซึ่งปกติเราไม่ได้ตระหนักถึงโยนิโสมนสิการบรรยายประกอบภาพให้เห็นเป็นอสุภะจริงจังและบรรยายให้ทุกคนรู้สึกว่าผมขนเป็นต้นรวมเข้าเป็นกายนี้ทั้งหมดของตนก็เป็นเช่นนั้นยังเป็นอยู่ก็น่ารังเกยียจตายแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงต้องเปื่อยเน่าน่ารังเกยียจเต็มที่โยนิโสมนสิการได้บรรยายให้เห็นว่า ไว้ที่ยังหนุ่มสาวชีวิตที่รักษาร่างกายเอาไว้มีให้เน่าเปื่อยเครื่องตกแต่งการตกแต่งต่างๆเป็นเครื่องปกปิดเป็นเครื่องพรางมิให้เห็นความไม่สะอาดความปฏิกูลที่มีอยู่เป็นปกติเมื่อเพิกเอาเครื่องปกปิดออกเสียก็จะมองเห็นสิ่งปฏิกูลได้ชัดเจนแม้จะมีเครื่องปกปิดก็ไม่อาจปิดบังสติปัญญา ที่จะตรวจตราพิจารณาให้มองเห็นความจริงไปได้ภาพอสุภะที่ปรากฏขึ้นนี้อสุภานิมิตทำให้การมาฉันซึ่งเป็นสมุนสำคัญของสมุ ท, ทยัยวิ่งหนีออกห่างไปทันทีท่านคู่บา ร, รมีแสดงอสุภานิมิตโดยมีโยนิโซมณสิการบรรยายประกอบพอสมควรแล้วก็แสดงนิมิตอีกอย่างหนึ่งนั่นคือเมตตาเจโตวิมุตซึ่งแปลว่าความหลุดพ้นด้วยใจ แห่งความเมตตาคือหลุดพ้นจากพยาบาทคือความคิดมุ่งร้ายด้วยอำนาจโทสะเพราะเจริญเมตตาให้เกิดมีขึ้นในจิตใจพยาบาทเป็นเครื่องเศร้ามองทางจิตใจอย่างหนึง่งมีขึ้นในเมื่อประสบอารมณ์คือเรื่องที่ไม่ชอบใจเช่นมีใครมาทำร้ายด่าว่าให้เจ็บใจจึงเกิดพยาบาทเกิดความโกรธคิดมุ่งร้าย หมายจะให้ถึงความวิบัติอันตรายทำให้จิตใจเกิดความเศร้าหมองเดือดอร้อนเหมือนอย่างถูกไฟเผาแต่ก็สามารถจะหลุดพ้นจากอำนาจดังกล่าวได้ด้วยอำนาจแห่งเมตตาเมตานั้นคือความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุขหรือความมีไมตรีจิตมิตรภาพซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับความพยาบาทอันพยาบาทนั้น มุ่งร้ายหมายให้วิบัติส่วนเมตตามุ่งดีปรารถนาให้ประกอบด้วยสุขสมบัติพยาบาทเป็นไฟเผาใจให้ร้อนเมตตาเป็นน้ําพรมใจให้เย็นเป็นสุขแต่เมตตาจะเกิดมีขึ้นในจิตใจได้ก็ต้องหัดปฏิบัติทำเมตตาภาวนาคืออบรมเมตตาให้มีขึ้นหัดแผ่ใจที่มีเมตตาออกไปแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเจาะจง หรือแผ่ออกไปโดยไม่เจาะจงโดยเจาะจงนั้นเช่นในบุคคลที่เป็นที่รักในบิดามารดาครูบาอาจารย์มิตรสหายในบุคคลที่เป็นปานกลางตลอดถึงบุคคลที่เป็นศัตรูหรือที่ไม่ชอบพอกันท่านอาจารย์ผู้อธิบายพระพุทธวจนะอธิบายว่าการแผ่เมตตาให้แผ่ไปในตนเองเป็นอันดับแรกก่อนจากนั้นจึงแผ่ ไปให้คนอื่นสัตว์อื่นโดยแผ่ไปในคนที่จะแผ่เมตตาออกไปง่ายก่อนเช่นในคนซึ่งเป็นที่รักแล้วจึงแผ่ไปในคนที่แผ่ยากเช่นในศัตรูโดยไม่เจาะจงก็คือการแผ่ไปในหมู่สรรพสัตว์ไม่เลือกว่าเป็นมนุษย์เดระชานเทพยดามารพรหมมีใช่แต่เมตตาข้อเดียว แผ่กรุรณาความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกมุทิตาพรอยินดีในความสุขความเจริญของผู้อื่นอุเบขาความวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจเรื่องของใจคือเรื่องของจิตตานคขอจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคน นครสามีหรือเจ้าเมืองแห่งจิตตานครมีความโลเลไม่มั่นคงฟังเสียงทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วคือทั้งฝ่ายคู่บา ร, รมีและทั้งฝ่ายคู่อาสวะเป็นเหตุให้นครสามีปกครองจิตตานครให้ร่มเย็นเป็นสุขได้บ้างวุ่นวายเดือดร้อนบ้างฝ่ายคู่บา ร, รมีก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะเอาชนะคู่อาสวะให้ได้ จึงนำคณะคือโยนิโสมนสีการกับนิมิตต่างๆเข้าพบนครสามีขอแสดงนิมิตต่างๆโดยมีโยนิโสมนสีการเป็นผู้บรรยายอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าเริ่มจากแสดงอสุภานิมิตคือนิมิตที่น่าเกลียดน่ากลัวก่อนจนกระทั่งทำให้กามฉันซึ่งเป็นสมุนสำคัญฝ่ายสมุทัยคือฝ่ายคู่อสวะหนีไปแล้วจึงแสดงเมตตาเจโตบิมุตว่าเมื่อใด เมตตาเข้ามาสู่จิตตะนะครเมื่อนั้นพยาบาทสมุนตัวร้ายของสมุทัทยก็จะวิ่งหนีออกไปทันทีเช่นกันจิตก็จะพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตานี่คือเมตตาเจโตวิมุตต์อันว่าชาวจิตตะนะครนั้นมีความเข้าใจภาษาทางจิตได้ดีกว่าชาวนครอื่นๆเมื่อได้เห็นภาพของคนที่มีจิตประกอบด้วยเมตตาได้ฟังคําบรรยายประกอบเรื่อง แห่งโยนิโสมณนสิการจึงเข้าใจความหมายแห่งคำว่าเมตตาเจโตวิมวุตแจ่มแจ้งจิตพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตาและวิธีแก้จิตให้พ้นจากพยาบาทก็ด้วยเมตตาภาวนาคือการอบรมเมตตาครั้นคู่บารมีเห็นว่าควรจะแสดงต่อไปอีกได้จึงแสดงนิมิตต่อไปอีกนั่นคือใช้แสงสว่างพโพล่งขึ้น เป็นแสงที่ทำให้ตาสว่างใจสว่างแสดงภาพคนที่กระปรีก้กระปร่าเข้มแข็งไม่อ่อนแอมีความเพียรเริ่มจับทำการงานมิใช่ทำทำหยุดหยุดแต่ทำให้ติดต่อกันไปทั้งให้ดาเนินการก้าวหน้าไม่หยุดไม่ถอยหลังจนกว่าจะสาเร็จฝ่ายโยนิโสมนัสิการก็แสดงภาพให้ได้ยินโดยชัดเจนว่านี่แหละคืออาโลกะแสงสว่าง นี่แหละคือท่าแท้แห่งความเพียรซึ่งตรงกันข้ามกับลักษณะของลูกสมุนของสมุทยัยผู้มีนามวัฏีนนมิทะคือความง่วงงุนเคริบเคลื่ออาโลกาี่คือฝ่ายตรงกันข้ามกับทีนามิทะนอกจากนี้คู่บารมีก็เด้นเล่าถึงวิธีที่องค์พระบรมครูตรัสสอนพระโมคคัลลานะสำหรับการประงับความโงกง่วงว่า ควรทำในใจถึงสัญญาที่จะเป็นเหตุให้ความโงก ง, ง่วงครอบงำมิได้หรือควรตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมที่ได้ฟังได้เรียนมาแล้วด้วยใจหรือควรสาทยายธรรมที่ฟังที่เรียนมาแล้วโดยพิสดารหรือควรยอนหูทั้งสองข้างและลูบตัวด้วยฝ่ามือหรือควรลุกขึ้นยืนรูปในตาด้วยน้ำเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดาวหรือควรทำในใจถึงอโลกะสัญญา ความสำคัญในแสงสว่างตั้งความสำคัญว่ากลางวันไว้ในจิตให้เหมือนกันทั้งกลางวันกลางคืนมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรห่อหุ้มทำจิตอันมีแสงสว่างให้เกิดหรือควรอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์มีจิตใจไม่คิดไปภายนอกเมื่อปฏิบัติแก้ไปโดยลาดับดังนี้ ก็ยังละความงกง่วงไม่ได้ก็ให้สําเร็จสีหะสายาคือนอนตะแคงข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปัญญะทำความหมายให้อันจะลุกขึ้นไว้ในใจพอตื่นแล้วก็ให้รีบลุกขึ้นด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ประกอบสุขในการนอนจกไม่ประกอบสุขในการเอนข้างหลังจกไม่ประกอบสุขในการเคล้มหลับ การปฏิบัติเพื่อแก้ความงอก ง, ง่วงทั้งปวงต้องใช้ความเพียรต้องมีใจเข้มแข็งคิดเอาชนะความงอก ง, ง่วงให้จงได้ปฏิบัติโดยลําดับจนถึงทุกวิธีแล้วยังแก้ไม่ได้ก็หมายความว่าร่างกายต้องการพักผ่อนจึงต้องให้พักวิธีทั้งปวงนี้สรุปเข้าในการทําใจให้สว่างหรือความเพียรกล้าแข็งก็ได้เมืออ่อโยนิโสมานัสิการกล่าวภาคไปดังนี้ ประกอบกับภาพของคนที่ปราศจากความง่วงเหงาหานอนเพราะมีจิตใจสว่างแจ่มใสมีความเพียรเข้มแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอสมุนของสมุทไทยผู้มีนามว่าทีนมิทะจึงหนีห่างออกไปในทันทีคู่บารมีสังเกตว่านะครสามีมีสีพักที่แช่มชื่นแจ่มใสไม่อิ่มไม่เบื่อต่อภาพในขณะที่โยนิโสมนัิการบรรยาย แสดงว่ามีจิตใจชื่นบานผ่องใสแต่ยังคงกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านอยู่เพราะมีเรื่องกังวลต่างๆอยู่ในจิตคอยดึงจิตให้ฟุ้งออกไปคิดพวงถึงอยู่เป็นระยะระยะแต่ก็เริ่มสงบสงัดจากกามคคุณอารมณ์และอกุศลธรรมทั้งหลายจากพยาบาทมาต ร, ร้ายจากความง่วงครั้นหายง่วงก็เริ่มคิดฟุ้งซ่านดังกล่าว ผู้บารมีจึงแสดงภาพความสงบใจต่อไปอีกทันทีคราวนี้เป็นภาพของลมหายใจที่มากระทบกับปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนแล้วผ่านเข้าไปถึงหะไทยและปรากฏอาการกระเพื่อมที่นาพีนี่เป็นลมขาเข้าแล้วแสดงภาพลมขาออกนาพีกระเพื่อมลมจากหะไทยมาออกที่ปลายจมูกลมหายใจที่แสดงในภาพมองเห็นเป็นลำหรือเป็นเส้น คล้ายควันไฟที่ลอยเป็นลำหรือเส้นได้เข้าออกเข้าออกต่อเนื่องกันไปไม่ขาดระยะแต่ระยะเวลาของลมขาเข้าขาออกนั้นๆยาวบ้างสั้นบ้างต่างกันคู่บารมีได้แสดงภาพของใจเป็นไฟเนียงที่พุ่งขึ้นจากกระบอกไฟเนียงขึ้นไปเป็นหลายสายฝ่ายโยนิโสมนัสิการก็บอกว่านั่นแหละใจใจโดยปกติเป็นเช่นไฟผนียง ฝุ่งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆมากมายหลายเรื่องเหลือที่จะนับได้เหมือนอย่างไฟพเนียงที่พรุ่งขึ้นจากกระบอกเหลือที่จะนับเม็ดได้ว่าเท่าไหร่และกี่สายพรุ่งขึ้นไปพละวันพลเกสับสนไปหมดถ้าเป็นไฟพเนียงก็น่าดูแต่เมื่อเป็นใจมีอาการที่พรุ่งพล่านเหมือนอย่างนั้นก็น่าจะเป็นบ้าตายครั้นแล้วคู่บรารมีก็ได้แสดงภาพของไฟพเนียงที่สงบลงโดยลําดับ เพราะดินชนวนในกระบอกน้อยลงไปเมื่อหมดดินไฟก็มอดดับโยนิโสมานสิการก็แสดงประกอบว่าที่คนเราไม่พากันเป็นบ้าตายก็เพราะชนวนที่ทำให้ใจฟุ้งซ่านมีสิ้นไปหมดไปตามธรรมดาเป็นเรื่องๆไปใจเมื่อฟุ้งขึ้นไปแล้วก็สงบเป็นเรื่องๆ เ, เป็นระยะระยะไปเหมือนไฟพเนียงที่พุ่งขึ้นแล้วก็ดับ เขาก็ใส่ดินชนวนเข้าใหม่และจุดอีกก็พรุ่งขึ้นอีกหมดดินก็ดับอีกจึงเป็นอันได้พักอยู่ในตัวเองเป็นระยะระยะไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่พักอยู่ได้ไม่นานก็ต้องพุ่งขึ้นเป็นไฟเนึ่งไปใหม่อีกถ้าดินชนวนแรงไปไฟพุ่งแรงไปกระบอกก็อาจแตกระเบิดชั้นใดก็ดีถ้าเรื่องที่เป็นชนวนแรงไปใจฟุ้งซ่านมากไปก็อาจทาให้ใจเป็นบ้า หรือเจ็บป่วยล้มตายลงได้ดังที่มีตัวอย่างอยู่บ่อยๆจากนั้นคู่บารมีได้แสดงภาพเป็นจุดไฟปรากฏขึ้นที่ลำหรือเส้นลมหายใจให้มองเห็นเป็นลำหรือเส้นไฟเข้าออกเข้าออกดูคล้ายกับหายใจเป็นไฟเป็นลำเส้นเข้าออกเข้าเข้าออกออกแล้วก็แสดงให้เหลืออยู่เพียงจุดไฟกลมๆเพียงจุดเดียวที่ปลายจมูก แล้วก็ค่อยเลื่อนลงไปอยู่ที่ฮทไทยบางคราวลองให้เลื่อนลงไปอยู่ที่นาผีแต่จุดไฟดวงเล็กนี้ต้องกระเพื่อมขึ้นลงเหมือนอย่างชิ้นไม้เล็กๆที่ลอยกระชอกอยู่ในคลื่นจึงหลบขึ้นมาสว่างเป็นจุดอยู่ที่ฮทไทยตรงกึ่งกลางอุระก็หายกระฉอกเป็นจุดไฟที่ตั้งสงบยโยนิโสมนสสิการจึงอธิบายประกอบว่าจุดไฟนี้แหละคือใจ เมื่อมากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจขาเข้าขาออกจึงถึงมาตั้งกำหนดรู้อยู่เพียงจุดเดียวที่ปลายจมูกหรือที่อุระตามแต่จะสะดวกใจก็จะสงบจากความฟุ้งซ่านรำคาญนี่คือความสงบใจที่เป็นเหตุให้อุทธจักกุกกุจจัความฟุ้งซ่านรำคาญใจหนีหายออกไปทันทีฝ่ายนครสามี ผู้ครอบครองจิตตานครค่อยๆมีจิตใจสงบจากความยินดียินร้ายมีจิตใจสว่างเกิดความขมขมิน้นไม่เฉยชาเกียรติคร้านและได้พบความสงบใจอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนเป็นเหตุให้เกิดความชื่นชอบเลื่อมใสในองค์พระบรมครูผู้ทรงเป็นพระสัสดาแห่งคู่บารมีพระเท่ากับได้ประทานความสุขพิเศษทางจิตใจให้เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ สมาธินิมิตต่างๆที่คู่บา ร, รมีนำมาพร้อมกับโยนิโสมณสีการก็ล้วนหน้าดูหน้าฟังเมื่อดูและฟังแล้วก็ทำให้จิตใจสงบผ่องแผ้วมีสุขอยู่ห่างไกลจากพระองค์มากมายได้รับฟังเพียงบางสิ่งที่ประทานมายังทำให้เกิดความสุขถึงเพียงนี้หากได้เข้าไปเฝ้าใกล้ชิดหรือเสด็จมาโปรดในที่เฉพาะหน้าแล้วจะได้รับความสุขสักเพียงไหน เมื่อคิดไปดังนี้พอดีเหลือไปเห็นคู่อาสวะแอบโผล่หน้ามาดูแวบหนึ่งจิตใจก็แวบออกไปถึงความสุขสนุกสนานที่สมุททยนำมาพร้อมกับสมุนทั้งปวงสมุททยได้สร้างสิ่งบันเทิงสุขให้เป็นอันมากเป็นต้นบวโรงหนังโรงละครส่งอารมณ์เข้ามาแสดงเป็นภาพต่างๆอย่างภาพยนต์มีคนาพากที่ชื่อว่าอะโยนิโสมนสิการ ซึ่งก็แสดงได้ไม่แพ้ผู้แสดงภาพยนต์ของคู่บา ร, รมีเรียกร้องเสียงหัวรเราะเฮฮาได้มากมายทาให้บ้านเมืองสนุกสนานไม่เงียบเหงาส่วนวิธีของคู่บา ร, รมีรู้สึกว่าเงียบสงบไม่เอะอะทำให้บ้านเมืองเป็นเมืองเงียบสงบสงดัดเจ้าผู้ครองนครจึงเกิดความลังเลสงสัยว่าจะเลือกเอาข้างไหนดีข้างหนึ่งสนุกแต่ไม่สบายอีกข้างหนึ่งสงบ แต่ไม่สงบไม่สนุกทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะมียิ่งย่อนแตกต่างกันทำนองนี้จะอย่างไรก็ดีเลือกไม่ถูกทีนี้เมื่อคู่บา ร, รมีสังเกตเห็นนะครสามีเกิดความลังเลดังนั้นก็รีบแสดงภาพเปรียบเทียบระหว่างบุคคลสองฝ่ายคืออากุศลและกุศลคู่หนึ่งสิ่งที่โทษกับสิ่งไม่มีโทษคู่หนึ่ง สิ่งที่เลวกับสิ่งที่ประนีตคู่หนึ่งสิ่งที่ดํากับสิ่งที่ขาวคู่หนึ่งเปรียบเทียบกันและยโยนิโสมนัสิการก็ได้แสดงภาคอธิบายชี้แจงโดยชัดเจนว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแหละคือตัวอกุศลอย่างนั้นอย่างนั้นแหละคือตัวอกุศลหรือตัวตัวกุศลครันนครสามีมองเห็นรู้จักหน้าตาของอกุศล ก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตัวเองทันทีว่าพักพวกของสมุ ท, ทยัยล้วนแต่เป็นตัวอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่เลวและดำส่วนพักพวกคู่บา ร, รมีล้วนเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษเป็นสิ่งที่ประนีตคือดีและขาวสะอาดจึงมีจิตใจสิ้นสงสัยว่าฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนเลว เกล้าาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นภาพเปรียบเทียบกับโยนิโสมนสีการเป็นเหตุให้วิจิกิจชาคือความลังเลสงสยัยไม่แน่นอนนั้นหนีห่างออกไปทันทีตอนหน้าตอนที่9มาฟังเรื่องอุปมาห้าข้อเรื่องของสมุทไทยและกลวิธีของสมุทไทยในการที่จะกลับมาช่วงชิงอำนาจจากคู่บา ร, รมีตามเดิม วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมโดยรัสมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลือง